ตอนที่หนึ่งเจพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อของเงินใช้หลับแล้วค่ะลีชิงพิงเอ่ยเสียงเบาสงสัยวันนี้จะเหนื่อยเกินไปมีเรื่องอะไรไว้คุยพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้คุณเองก็เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าหวิ่งชงยื่นมือไปดึงแขนลีชิงพิงให้นั่งลงน้ำเสียงทุ่มอ่อนโยนเหนื่อยแล้วคืนนี้เราก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เถอะนะหืมฉันรู้สึกเหมือนฝันไปเลยข้ามันดูไม่ค่อยจริงเลยลีชิงพิงมีสีหน้าเหมือลอยเธออธิบายความรู้สึกในใจไม่ถูกมีทั้งความอาลัยอา อย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็รู้สึกเหมือนฝันไปเหมือนกันเจ้งอวิ๋งชงวางคางลงบนไหล่ของหลีชิงถิงพังลดเสียงต่ำลงเพลอแป๊บเดียวเด็กๆก็จะแต่งงานกันแล้วผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่เลยอีกสักสองปีผมคงต้องกลายเป็นคุณตาแล้วใช่ไหมหลีชิงถิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดเป็นไปได้ทีเดียวเขาเป็นคุณตาส่วนเธอเป็นคุณยายแต่คุณวางใจเธอเศร้าเหิงนะผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กเขาจะปฏิบัติต่อเซียวันอย่างดีแน่นอนเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วสองคนนี้เหมาะสมกันมาก เจ้างวินฉงปลอบโยนไม่เห็นภรรยา ย, ยังคงใจเขาจึงออกแรงกดทับลงไปอีกเล็กน้อยนอนเธอนะลีชิงพิงดึงสติกลับมาเมื่อตระหนักถึงความหมายแฝงในคําพูดของชายหนุ่มใบหูของเธอก็แดงก่ําไม่ได้เขาวันนี้เราเหนื่อยกันทั้งคู่รีบพักผ่อนเถอะไม่เหนื่อยหรอกคุณแค่นอนเฉยเฉยก็พอที่เหลือผมจัด ก, การเองเจ้อาอวินฉงพูดอย่างง่ายดายแต่ลีชิงพิงที่นอนลงไปแล้วกลับไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเลยทั้งปวดเอวทั้งไม่ขาไปหมด หลังมั่นหมายก็ถึงเลิกแต่งงานทันทีวันเวลาค่อนข้างกระชันชิดหลีหวานกับหยวนเซ้าเหงิงจึงนัดวันถ่ายรูปถ่ายแต่งงานกันตอนนี้รูปถ่ายแต่งงานส่วนใหญ่เป็นสไตล์ห้องกงหลีหวานตั้งใจจะถ่ายหลายๆชุดแม้ว่าเทคนิคการถ่ายภาพในตอนนี้จะยังไม่ค่อยดีนักแต่ค้อหมายของการมีรูปถ่ายก็คือการเป็นที่ระลึกหยวนเซ้าเหิงให้ความร่วมมือตลอดการถ่ายทำใช้เวลาถ่ายรูปถ่ายแต่งงานไปเต็มเตมวัน มีคนหวานชื่นก็ย่อมมีคนขมขื่นหลีหวานกับหยวนเศร้าเหิงลงเอยกันด้วยดีทําให้ในใจของหวนโม่รู้สึกไม่ค่อยดีนะักเดิมทีเขาคิดว่าจะรอให้ทั้งสองคนเลิกกันแต่ใครจะไปคิดว่ารอไปรอมาสุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลยเมื่อคิดว่าหลีหวานมีความสุขแม่หวนโม่จะรู้สึกขมขื่นในใจแต่เขาก็ยังคงมีทัศนคติที่อยากจะอวยพรและสิ่งที่ทำให้เขาปวดหัวยิ่งกว่าเดิมก็คือหยวนเหยียนเยียนตามจีดเขาหนักขึ้นเรื่อยๆ สิ่งแรกที่ขวางกาั้นพวกเขาอยู่ก็คือช่องว่างระหว่างไวเวิญโมไม่ชอบคนที่อายุน้อยเกินไปเขาชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงซึ่งจุดนี้หยวนเยียนเยียนไม่มีเลยสักนิดแม้จะถูกปฏิเสธมามากกว่าหครั้งแต่หยวนเยียนเยียนกลับยิ่งหึดสู้แถมยังทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่ไวเอิญโมเพียงคนเดียวผู้หญิงจีบผู้ชายง่ายเหมือนมีเพียงผ้าบางกัน้นแต่ในสายตาของหยวนเยียนเยียนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยจีบมาตั้งนานแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าเลยสักนิด หยวนเฟยได้ยินเรื่องที่ลูกสาวกำลังตามจีบคนอื่นมาจากปากลูกชายเขาก็รู้สึกจนปัญญามากเป็นลูกผู้หญิงแท้ๆกลับไปตามจีบผู้ชายเสียขนาดนั้นต่อให้จีบติดขึ้นมาจริงๆเขาจะปฏิบัติกับเธออย่างดีหรือไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวเอาเสียเลยพ่อคะเงินเดือนที่แล้วใช้หมดแล้วเดือนนี้พ่อให้หนูเพิ่มอีกหน่อยสิหยวนเฟยกําลังกรุ่มใจว่าไม่มีโอกาสเหมาะๆจะสั่งสอนเธอพอดีหยวนเย็ยนเย็ยนก็เสนอหน้ามาหาเอง แม่แกให้เงินค่าขนมเดือนละห้ารอหยวนนี่ยังไม่พอใช้อีกเหรอหยวนเฟยเบิกตากว้างปีหนึ่งก็หกพันหยวนเชียวนะพอให้บ้านอื่นใช้ชีวิตได้ตั้งหลายปีถ้าแกยังใช้เงินมือเติบแบบนี้ต่อไปใครจะไปรับภาระค่าใช้จ่ายของแกไหวยิ่งไปกว่านั้นค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าของเธอก็ให้ต่างหักอยู่แล้วเงินห้ารอหยวน น, นั่นคือเงินค่าขนมล้วนๆพ่อค้าก็ต้องให้พี่ชายเลี้ยงหนูอยู่แล้วสิหยวนเย็ยนเย็ยนพูดอย่างเป็นเรื่องปกติ ตอนนี้พวกพ่อเลี้ยงหนูพ่อพ่อเกษียณเปพี่ชายก็ต้องเลี้ยงหนูต่อพี่ชายมีน้องสาวสุดที่รักแค่คนเดียวเขาไม่ปล่อยให้หนูอดตายหรอกพอไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่นเลยเอาเงินมาก่อนไม่มีหยวนเฟยหน้าบึง้งนอกจากแกจะบอกพ่อว่าเอาเงินไปทําอะไรไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้สักแดงเดียววันวันเอาแต่จะวิ่งออกไปข้างนอกดูสิว่ามีกิริยาเหมือนลูกผู้หญิงตรงไหนบ้างแกอยากจะให้พ่ออกแตกตายใช่ไหมพ่อขนูเอาเงินไปใช้ประโยชน์ของหนูสิโต้เอ๋ย พอให้เงินมาง่ายๆหน่อยได้ไหมอย่ามาจู้จี้จุกจิกแถวนี้เลยหยวนเย็นเย็นที่เป็นคนของเงินกลับเป็นฝ่ายรําคาญเสียเองเธอเร่งเร้าให้หยวนเฟยรีบจ่ายเงินไม่มีหยวนเฟยยังคงยืนยันคําเดิมหยวนเย็นเยิงกระทึบเท้าอย่างร้อนใจถ้าพอไม่ให้เงินหนูหนูจะไปขอพี่ชายพี่ชายช่วงนี้ไม่ค่อยว่างหรอกนะเขาต้องหาเวลาไปอยู่กับพี่สะพายด้วยหนูจะไปกวนพวกเขาสองคนนั่นแหละแกยังมียางอายอยู่บ้างไหมจะไปกวนพวกเขาทําไมหยวนเฟยส่งเสียงจึ๊อย่างรังเกียจ เออพ่อยอมแก่จริงๆจะเอาเงินใช่ไหมเท่าไหร่ขอบคุณครัพ่อหนูขอไม่เยอะหรอกขอแค่ห้าร้อยหยวนก็พอจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทําอะไรมือของหยวนเฟยที่กําลังจะหยิบเงินชะงักไปหนูจะเลี้ยงข้าวคนอื่นแค่แล้วหนูก็สืบมาว่าใกล้จะถึงวันเกิดเหยวนโม่แล้วหนูเลยกะว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดดีๆให้เขาสักชิ้นหยวนเย็ยนเย็นเร่งเร้าอีกครั้งช่างเถอะพอได้ยินว่าเป็นของขวัญให้ผู้ชายคนอื่นหยวนเฟยก็ไม่คิดจะให้แล้ว พ่อเลี้ยงแกมาจนโตขนาดนี้แกจำได้ไหมว่าพ่อเกิดเมื่อไหร่ลูกสาวนี่เหมือนน้าที่สาดออกไปจริงๆตอนนี้รู้จักแต่จะเห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวพ่อขนูหนูอะไรหยวนเฟยพูดด้วยน้ําเสียงโกรธจัดอย่าคิดว่าพ่อไม่รู้นะเขาไม่ได้สนใจแกเลยสักนิดเป็นแกเองที่น่าด้านน่าทนไปถือเขาลูกสาวตระกูลหยวนของเราจะทําตัวไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้ไม่ได้หยวนเหย็นเย็นรู้ดีว่าวิธีที่เธอใช้จีบเขามันดูต่ําต้อยเกินไปแต่เธอก็ไม่มีทางเลือก ในเมื่อชอบแล้วก็ต้องพยายามจีบมาให้ได้ด้วยตัวเองพ่อขะพ่อไม่เข้าใจเหวินโมหรอกเขาเป็นคนเก่งมากไว้ถ้าหนูพาเขามาหาพ่อพ่อต้องพอใจแน่นอนเขาจะเก่งกว่าพี่ชายแกเหรอก็น่าจะนะคะเหวนเย็ยนเย็ยนไม่แน่ใจเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเก่งเหมือนพี่ชายแกจริงๆเสียหวานจะเลือกพี่ชายแกแล้วไม่ชอบเขาเหรอพ่อรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะหื้อหือในบ้านนี้ไม่มีเรื่องไหนที่พ่อไม่รู้หรอก แกยังคิดจะปิดบังพ่ออี๋ยวนเฟย์ทะลึงตาใส่เธอเย็นเย็นที่พ่อพูดแบบนี้ก็ระวังดีกับแกแกจะรอให้เขามาจีบแกก็ได้แต่แกจะไปวิ่งไล่ตามเขาแบบนี้ไม่ได้ถ้าแกไม่ฟังคำสั่งพ่อจะให้แม่แกตัดเงินค่าขนมรายเดือนของแกต่อไปจะไม่ได้แม้แต่แดงเดียวพ่อคะหยวนเย็นเยงกระทืบเท้าด้วยความร้อนใจพ่อทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเกินไปเหรอ พ่อยังมีเรื่องที่เกินไปกว่านี้อีกพ่อเห็นว่าวันๆแกเอาแต่ว่างานอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเดิมทีพ่อคิดว่าในเมื่อบริษัทมีพี่ชายแกรับช่วงต่อแล้วแกก็แค่ไปทํางานกินแรงในบริษัทไปวันๆก็พอจะมีวุฒิการศึกษาหรือไม่ก็ไม่สําคัญเห็นแกที่แกเป็นลูกผู้หญิงพ่อกับแม่เลยไม่คิดจะให้แกเดินทางไปไหนไกลๆแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คงต้องหาที่เรียนให้แกสักที่แล้วล่ะวันๆไม่มีอะไรทําเลยเอาแต่คิดเรื่องไร้สาระหยวนเฟยยกมือขึ้นจิ้มหน้าผากเธออย่างแรงเพื่อเตือนสติได้ยินไหมทําตัวให้มันเรียบร้อออยยหน่่พคะ เย็นเย็ยนเย็นไม่มีทางเลือกพ่อกับแม่ไม่ยอมให้เงินถ้าไปหาพี่ชายพวกเขาคงเตรียมกันไว้แล้วแน่นอนเห็นทีคงต้องกลับไปที่บ้านเก่าเพื่อของเงินคุณปู่คุณย่าใช้เสียแล้วขอแค่ปากหวานสักหน่อยพวกท่านคงไม่ใจร้ายไม่ยอมให้หลอก